สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่11111ครับเป็นการสรุปคําสอน6ประการของพระเยซูนะครับในคําเทศนาบนภูเขานะครับก็คืออยู่ในข้อธรรมะทิวบทที่ห้าทั้งบทนะครับมีอยู่6ประการครับหรือ6อย่างที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์นะครับประการแรกก็คือความโกรธครับ ทัศนคติของคริสเตียนหรือของสาวกที่มีต่อครอบครัวการที่สองก็คือเราต้องจัดการกับปัญหานะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบทดลองเราในชีวิตของเราอย่างไรคําสอนประการที่สามก็คือเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวนะครับรการอย่าร้างครับเราจะทําได้นะครับหรือไม่ได้อย่างไร ประการที่สี่ก็คือเรื่องของการสาบานครับนะครับเป็นเรื่องของการรักษาสัญญาประการที่ห้าก็คือเรื่องของการแก้แค้นนะครับเป็นเรื่องของการตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทําต่อเราและประการสุดท้ายครับประการที่หกครับก็คือเราจะต้องรักศัตรูนะครับที่น้องครับเรามาเริ่มดูนะครับประการแรกก็คืออันตรายของความโกรธครับซึ่งการที่ ปกปการนะครับที่พูดถึงที่ผ่านมานั้นมีอันตรายทั้งสิ้นครับอันตรายของความโกรธหรืออะไรครับเรารู้นะครับว่าความโกรดนั้นมีอยู่สองอย่างนะครับความโกรธแบบทูมอส์นะครับเป็นความโกรธแบบระเบิดนะครับแล้วก็เป็นความโกรธแบบโอเคความโกรธที่ยาวนานนะครับทําให้เกิดความแค้นเกลื่อนส่อหาการแก้แค้นจี่ง้องครับพระเยซูทรงห้ามนะครับอย่าให้เรา ที่จะดูถูกหมิ่นประมาทใครอย่าไปให้อยา่อยาให้เราได้เรียกคนอื่นหรือด่าคนอื่นนะครับว่าไอ้โง่ไอ้บ้านะครับคนพวกนี้พระเยซูสอนว่าจะถูกพิพากษาแน่นอนนะครับประการที่สองครับก็คือว่าอันตรายของตัญหาครับพระเยซูทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าใครมองผู้หญิงให้เกิดใจกำหนัดผู้นั้นก็ได้ร่วาโรยนีในใจกับหญิงนั้นแล้ว นี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุที่เราต้องระวังครับโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ชายนะครับเรามักจะมีจุดอ่อนเรื่องของสายตาการมองนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องระวังขั้นตอน13ขั้นตอนที่ผมได้พูดไปแล้ว น, นะครับตอนที่เราจะล่วงประเวณีนะครับตั้งแต่เริ่มมองเห็นนะครับเริ่มสัมผัสนะครับเริ่มอะไรต่างนะครับจนกระทั่งถึงการตัดสินใจและลงมือทํา อันนี้เป็นสิบสามขั้นตอนของการที่เราต้องระมัดระวังนะครับที่จะเราจะไม่ทําผิดบาปเรื่องประเวณีและการผิดผิดบาปเรื่องประเวณีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่ทําให้ผู้รับใช้หลายคนผู้สเสียชีวิหลายคนผู้นำํำทิศจักหลายคนก็ได้ตกต่ตําลงนะครับประการที่สามครับอันตรายของการอย่าร้างพระเยซูกําลังทําให้คํารมะมัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์โดยการที่ว่าพระองค์ต้องไม่ปรารถนา ให้เกิดการหย่าร้างนะครับการหย่าร้างนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับซึ่งเดียวเราเมื่อเราแต่งงานกันแล้วนะครับจะไม่มีการหย่าร้างนะครับยกเว้นกรณีเดียวครับก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปทําผิดเรื่องของการร่วงประเวณีนะครับแต่งที่สําคัญมากก็คือว่าพระเยซูกําลังทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าจะต้องไม่มีใครนะครับที่จะทำให้คนสองคนนี้ ได้แยกจากกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทึ่งเป็นบุคคลที่สามสี่ห้านะครับเราเองนั้นจะต้องผูกพันเขาไว้ช่วยเหลือเขาไว้คอยดูแลประครับประคองชีวิตของสามีปัญญาและครอบครัวที่เราเห็นที่เราอยู่ด้วยกันนะครับประการต่อไปครับก็คือประการที่สี่นะครับอันตรายของการกล่าวคำสาบานนะครับตรงนี้นะครับ พระเยซูกำลังสอนว่าอย่าสาบานในเรื่องเอนะครับแต่ให้สาบานหรือสัญญาว่าจะพูดจริงนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลครับเราสามารถที่จะสาบานในศาลได้ครับเพราะว่าการสาบานตรงนั้นก็คือเป็นการสัญญานั่นเองครับว่าจะพูดจริงชีวิตของเรานะครับที่เป็นอนเสียนั้นเราจะต้องกล่าวนะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นะครับ สิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ครับชีวิตของเครื่เสียนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครดิตนะครับแห่งความซื่อสัตย์นะครับประการต่อไปครับก็คือการแก้แค้นการตอบแทนนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พระเยซูได้อ้างตั้งแต่พระคองกีเดิมครับว่าตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับแต่พระเยซูได้สอนว่าอย่าตอบโต้หรืออย่าต่อสู้คนชั่วครับนะครับโดยสามประการก็คืออย่า ตบหน้าเขาตอบนะครับเมื่อเขาตบหน้าท่านนะครับนะและก็ถ้ามีใครอยากจะฟ้องศาลตอบเอาเชื่อก็จงให้เชื่อคุมอีกเขาด้วยเห็นไหมครับนะครับและก็ถ้าใครเกณฑ์เราให้เดินไปนะครับหนึ่งกิโลให้เดินไปกับเข้าถึงสองกิโลครับนี่คือการตอบแทนในทางที่ดีครับพระเยซูจบคำสอนนะครับเรื่องนี้ด้วยการให้ทานและการขอหยินนะครับสุดท้ายครับ ประการที่หกครับก็คืออันตรายในการเกลียดการศัตรูนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับในค่อนข้างะละเอียดครับเราจะเป็นบุตรของพ่อบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ได้ก็คือเราจะต้องไม่แยแคร์ครับและเราจะต้องไม่เกลียดการศัตรูนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องอธิษฐานเต่อศัตรูของเราด้วยนะครับผมอยากจะนําพี่น้องไปถึงบทของปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติ ตั้งแต่บกประการที่เราได้ตกทวนมานะครับอยากจะให้ยี่น้องได้มีโอกาสให้ทวนว่าแต่เรื่องของความโกรกนั้นเป็นคำมริษฐานของเรานะครับว่าข้าพเจ้าจะพยายามระงับความโกรกของข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าความโกรกของข้าพเจ้าที่ปัทุกขึ้นครั้งแรกนะครับขอพระเจ้าระงรับเสียเพื่อที่ว่ามันจะไม่กลับกลายมาเป็นไฟที่ทําให้คนอื่นเก็บปวดอีกต่อไปนี่คือ ตัวอย่างําอธิษฐานนะครับของความโกรธขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ความโกรธนั้นจะไม่กลายเป็นโอเคครับเป็นความเกรยียดชังเป็นความเครียดแค้นนะครับซึ่งจะทําลายทั้งร่างกายจิตใ จ, ใ จ, ใจใสติปัญญาของพวกเราด้วยประการที่สองครับก็คือตันหานะครับตัวอย่างทำอธิษฐานก็คือว่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตันหานะครับและข้าพเจ้าจะไม่ดูภาพยนตร์อ่านหนังสือที่ทําให้ข้าพเจ้า ไปสู่การกระทำผิดในเรื่องของตัญหาหรือการกระนั้นการกระทําผิดในเรื่องเพศครับปัญนะหาต่างๆนะครับรวมถึงการอยากชั้วอยากได้อยากเป็นเจ้าของสิ่งที่ปุ้มเฟยสิ่งที่หรูหราจนเกินไปไม่สมเหมาะสมกับฐานะของตนนะครับเป็นความไม่พอเพียงเป็นตาตัญหาของตาครับสําหรับสุภาพกตีนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพบุรุษครับ ที่พยายามขวนขวายสแสวงหาสิ่งที่เกินกําลังของเรานะครับอยากจะได้สิ่งที่เราไม่สมควรที่จะซื้อจะได้จะหามาครับประการที่สามครับเรื่องของการอยากร้างนะครับตัวอย่างคําอธิษฐานหรือการนําไปใช้ก็คือข้าพาเจ้าขอพระองค์ที่จะทําให้ข้าพาเจ้าสามารถทําตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ที่จะรักคู่สมรสของขาพระพเจ้าที่จะอดทนงานกับเขา และพระป ร, ประสงค์ของพระองค์ปรารถนาให้ข้าพเจ้านั้นเป็นอันหนึ่งอัเดียวกันขออย่าให้มรดกผู้ใดแยกข้าพเจ้าข้าพระองค์ทั้งสองออกจากกันเลยเป็นคําอธิษฐานนะครับของผู้ที่ได้ยินได้ฟังและเป็นผู้สมรสครับในครอบตัวเดียวกันประการที่สี่ครับเราจะต้องอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของการสาบานการสัญญานะครับว่า ขอให้ข้าพเจ้านั้นพยายามจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในทุกๆกรณีเพื่อว่าคำพูดคําสัญญาของข้าพเจ้าจะเป็นที่นับถือได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ฉวายเกียรติข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นเป็นลูกของพระเจ้ามีเครดิตแห่งความซัตอ์ซื่อประการต่อไปครับคำอริษฐานประการที่ห้าก็คือการแก้แค้นการตอบแทนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ข้าพเจ้าหรือเรานั้นจะพยายามฝึกฝน การเดินกิโลเมตรที่สองครับการที่จะตอบแทนสิ่งที่ดีนะครับให้กับคนที่ไม่ดีขอให้การเดินต่อไปในกิโลเมตรที่สองนั้นจะเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดีและเกิดขึ้นกับผู้ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่บ้านนะครับหรือที่ทํางานถ้าเป็นน้องน้องนักศึกษานักเรียนก็คือที่โรงเรียนด้วยการตอบแทนนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้กําลังใจเราในการฝึกฝน นะครับการเดินต่อไปในกิโลเมตที่ 2. สองชุดท้ายครับตัวอย่างทอาอธิษฐานสุดท้ายก็คือทอาอธิษฐานเพื่อศัตรูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีกําลังในการที่อธิษฐานเผื่อศัตรูของเราขอพระเจ้าช่วยเราที่จัดอธิษฐานเผื่อศัตรูที่เราทั้งหลายไม่รักขอพระเจ้าประทานความรักและให้ความซาบซึ่งในความรักของพระเจ้าที่ช่วยเหลือเราที่ชื่นพชนเพื่อเราบนแม่นเขนนั้นทําให้เราสามารถ อธิษฐานและให้ไฟศัตรูของเราได้นะครับขอพระเจ้าเสริมกําลังเราในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ขมเหงเรานะครับอธิษฐานเผื่อเขาจนกว่าข้าพเจ้าจะรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าอย่างจริงใจนี่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับทําให้เราทั้งหลายได้อยู่ในศูนย์กลางแห่งธรรมไทยของพระเจ้าให้เราเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นนะครับและเป็นคนที่มีความดีรอบค้อนะครับ เราเห็นอันตรายของความโกรธอันตรายของความใคร่หรือราคตัญหาอันตรายของการหย่าร้างอันตรายของการสาบานอันตรายของการแก้แค้นและอันตรายของการเลือดชันศัตรูนะครับหกอย่างหกชนิดที่มีอยู่ในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านอาเมน